มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, า, า, ญหาตาติยวัคทวินังปินดาปาตานังมหัภพละภาวะปัญหาที่สี่ถามว่าบินธบาตของนายจุนกับบินธบาตของนางสุชาดามีผลมากเท่ากัน เพราะเหตุอะไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยยาณปรีชาภาสิตังเจตังท่อยคํานี้พระสังคีติกาจารย์เจ้าทั้งหลายกล่าวไว้ข้าพเจ้าทั้งสิ้นได้ยินมาแล้วว่าสมเด็จพระจินทร์ีเจ้า บริโภคจังหันของนายจูนผู้เป็นบุตรแห่งช่างทองนั้นครั้นฉันแล้วแต่นั้นมาสมเด็จบรมนายกก็ทรงทุกพลภาพเพียบไปด้วยพระอาพาธปิ่มจะสิ้นพระชนมายุปุณะจะพัควตาพาสิตังครันโยมพิเคราะห์ดูถ้อยคำที่สมเด็จพระสัพพัญยูตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าทเวเมปินดาปาตาบินทบาททั้งสอง คือบินทบาตนางสุชาดาถวายเมื่อจะได้ตรัสและบินทบาตในจุนถวายเมื่อวันเข้าสู่พระนิพพานนี้มีผลมากกว่าบินทบาต ท, ที่ผู้อื่นถวายและบิณทบาททั้งสองนี้มีผลอานิสง์นักหนานี่แหละครั้านจะเชื่อเอาพระพุทธฎีกาที่ว่าพระองค์สวยอาหารบินทบาตนางสุชาดาและนายจุนสรรเสริญว่ามีอานิสง์เท่ากัน บินทบาต ท, ทายกให้นั้นจะมีพลานิสงเท่ากันหาบ่ไม่ได้ครั้นจะเชื่อเอาพระพุทธฎีกานี้คำพระสังคีติกาจารเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าสมเด็จพระบรมโล ก, กนายกทรงชั้นบินทบาตในจุนเข้าไปทรงพระอาพาธบิมจะสิ้นพระชนคำนี้ก็ผิดเป็นมิจฉาครั้นจะเชื่อเอาพระพุทธฎีกาว่า บินทบาตนางสุชาดากับบินทบาตในจุนมีผลมากนี้ก็ไม่สมกับคําที่ว่าสมเด็จพระพุทธองค์ทรงฉันบิณทบาตในจุนแล้วทรงอาพาธบิมจะสิ้นพระชนจะว่าบิณทบาต ท, ที่ในจุนถวายพระทศพลมีผลกระไรได้นี่แหละโยมพิเคราะห์ไปเห็นไม่สมกันอันหนึ่งเล่าบิณทบาตในจุนนี้ มีผลด้วยระคนปนเจือไปด้วยยาพิษนั่นหรืออันหนึ่งเล่าบินทบาตในจุนมีผลด้วยให้บังเกิดพระโรคประชวนหรืออันหนึ่งบินทบาตในจุนมีผลด้วยกระทําให้สมเด็จพระทศพลสิ้นพระชนหรือข้อหนึ่งซึ่งว่าบินทบาตในจุนมีผลด้วยกระทําให้สมเด็จพระทศพลสิ้นพระชนลับพระเนธแห่งอามาริน และมหาพรมกับทั้งมนุษย์หรือประการหนึ่งเล่าบินทบาทในจุนมีผลด้วยกระทำให้สมเด็จพระทศพลสิ้นชีวิตหรือตัสะการนังพระผู้เป็นเจ้าจงสำแดงเหตุแห่งคำพระสังคีติกาจารย์และพระพุทธดีกานี้เอทายังชโนคนที่เป็นเดรัจฉีในโลกนี้สมุนโห มีแต่หลงก็จะชวนกันสงสัยว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาตนี้โลกฉันบินทบาทนั้นอติพลังเกินการเสวยอาหารหนักด้วยโลภ จ, จริตจึงลงพระโลหิตอยังปันโโหอันวัปริสนานี้อุพโตโกติโกเป็นอุพโตโกติตวานุ ป, ปัตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้ว โสปัญโโหอันว่าปริศนานั้นแต่ยาอันพระผู้เป็นเจ้านิพายิตพโโหพึงระงับดับเสียให้สิ้นสงสัยในการบัดนี้พระนาคเกษณถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรคำพระสังคีติกาาจารว่าสมเด็จพระทุศผลเจ้าฉันบินทบาทในจุดแล้วก็ทรงพระอาพาธกล้า ปิมจะสิ้นพระชนไม่สมกับพระทศพลมีพระพุทธดีกาโปรดไว้ว่าทเวเมปินดาปาตาบินทบาททั้งสองสมะพลามีผลเสมอกันสมะวิปากามีวิบากเสมอกันมหบพละตรามีผลมากยิ่งมหานิสังสมีอานิสงมากยิ่งปินดาปาเตหิกว่าบินทบาททั้งหลายอื่น กะตะเมทเวบินทบาททั้งสองนั้นเป็นไฉนสมเด็จพระสัพพันยูบริโภคบินทบาทอันใดเป็นกําลังให้ได้ตรัสและอาหารอันใดเป็นกําลังเพื่อจะให้เข้านิพพานอิเมทเวเป็นดาปาตาบินทบาททั้งสองนี้สมภลามีผลเสมอกันและอานิสง์ยิ่งกว่าบินทบาทอื่นๆและ อาหารบินทบาตที่นายจุนถวายสมเด็จพระบรมโลกนาดนั้นพระหุคุโนมีคุณมากมีผลมากมีอานิสงมากจะนับประมาณบอกไม่ได้เป็นที่เลื่อมใสนักหนาที่วดาตุทาการชื่นชมมหาราชค้อถวายพระพรสมเด็จพระบรมโลกนาด ร, รับอาหารบินทบาตในจุนนั้น เทวดานิยมหันสาว่าเป็นปัจฉิมบินทบาทที่สุดวันจะเสด็จเข้าสู่สิเวสนิพานจึงเอาโอชาเป็นทิพมาทุกสถานใส่ปนลงในสุกรอ่อนๆ น, นั้นอธิบายว่าเนื้อหมูเหตุมีอยู่ชะนี้จึงโปรดว่าอาหารบินทบาทนี้มีผลซึ่งเท พ, พเจ้าเอาโอชาทิประคนนั้น ก็มีผลเหมือนบินธบาตในจุนถวายนั้นและข้อซึ่งว่าพระโรคอันบังเกิดในอุทรสมเด็จพระสัพพันยูนี้ใช่ว่าจะบังเกิดด้วยอาหารบินธบาตในจุนนั้นหาบ่อไมได้พระโรคบังเกิดในพระวรากายสมเด็จพระสัพพันยูนี้ด้วยพระองค์ทรงพระชาราคร่ำคราจะสิ้นพระชนมายุโรคนั้นจึงบังเกิดขึ้นได้มหาราช ขอถวายพระพรบพิษผู้เป็นใหญ่ในพิภพบจบสถานเปรียบปานดุดกระแส ส, สินชลาปากติสันธมาโนอันไหลหลั่งทังมาตามปกติแล้วมิหนำํำฝนบัรดาลตกซ้ำลงไปมหาอุทกะกวาโหบังเกิดเป็นห่วงน้ำใหญ่ยะถามีอุปมาฉันใดมหาราชขอถวายพระพร ร่างกายของสมเด็จพระทศพลแต่เป็นปกติอยู่เล่าก็กระออดกระแอดส่วนเซทรงทรมานครั้นโรคบังเกิดซ้ำเข้าถึงจะน้อยก็พลอยกล้าหนักไปเอวะเมวะเมาะตะถามีอุปมาดังกระแสะแม่น้ำฝนตกซ้ำลงถึงจะน้อยก็พลอยไหลลงแลพิลึกไปนั้นมหาราชขอถวายพระพร อันหนึ่งอาตมาภาพจะถวายอุปมาอีกข้อหนึ่งพระองค์จงทรงสดับอัคคิชละมาโนเหมือนหนึ่งกองไฟอันลุกรุ่งเรืองอยู่เมื่อมีบุคคลเอาเชื้อเช่นหญ้าแห้งและมูลฝอยใส่ลงไปก็จะลุกโชนโชตนาการยิ่งกว่านั้นอีกหลายเท่าอันนี้ไม่อุปมาชนใดโรคที่บังเกิดในพระสรีระของพระทศพล ก็มีอุปมาฉันนั้นพระองค์ทรงพระช า, าทุพพลภาพมากอยู่แล้วก็เหมือนกองไฟที่ลุกรุ่งเรืองอยู่ครั้นมีพระโรคบังเกิดขึ้นก็เหมือนกองไฟที่ลุกรุ่งย่้าแห้งและมูลฝอยมาใส่ในกองไฟให้ลุกยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งมหาราชะขอถวายพระพรจงทรงฟังซึ่งอุปมาเปรียบดุจหนึ่งว่าบุคคลเป็นกุชิโรคาพาธ ให้มักเจ็บท้องอยู่ก่อนแล้วเป็นปกติเคยมาอันยังอปกกังครั้นว่าบริภพโภคโภชนาหารอันสุกสุกดิบดิบบูดแฉะเข้าไปก็เสาะท้องให้ลงหนักไปเพราะท้องไม่ดีอยู่แล้วแต่ก่อนมายะถามีขรุวนาชันใดมหาราชะขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์ จวนจะสิ้นพระชนสังขารกำหนดถึง8ปสิบพรรษาชลาทุพพลภาพจวนจะเสด็จสู่เมืองแก้วคือนิพพานอัเลิศอยู่แล้วครั้นว่าพระโรคบังเกิดก็มเริบแรงขึ้นด้วยชรลาหากำลังบ่ไม่ได้นั้นจะโทษเอาอาหารบินทบาทของนายจุนนั้นหาขววนหม่ณสนะักกาอัตมาไม่อาจจะว่าจังหันบินทบาทของนายจุนนี้ เป็นโทษขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยปรีชาเตทเวปินดาปาตาอันว่าบินทบาททั้งสองนั้นเหตุไรเล่าจึงมีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันบินทบาต ท, ทั้งหลายอื่นนั้นไม่เสมอเทียมทันเลย เป็นฉะไหนเล่าพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบินทบาทสองประการสมลามีผลเสมอกันสมวิปากามีวิบากเสมอกันธรรมานุ ป, ปัชชนะสมาปัติวเสนะด้วยสามารถบินทบาททั้งสองคือบินทบาทนางสุชาดา และบินทบาทของนายจุนนั้นให้ถึงพร้อมซึ่งธรรมทั้งหลายโดยลำดับสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบไปด้วยยานปรีชาผู้เป็นเจ้าวิสัชนาว่าบินทบาททั้งสองประเสริฐด้วยสามารถแห่งความถึงพร้อมซึ่งธรรมทั้งหลายธรรมเหล่านั้น เป็นไนได้แก่อันใดนิมนต์วิสัชนาไปก่อนพระนาคเสณจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารบินทบาทสองประการประกอบด้วยสามารถแห่งความถึงพร้อมซึ่งธรรมนั้นคือได้แก่การเข้าอนุบุพภวิหารสมาบัติทั้ง9ก้าโดยอนุโลมและปะติโลมขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาจึงตรัสย้อนถามว่าพันเตน า, าเกษตระข้าแต่พระน า, าเกษตผู้ประกอบด้วยยาณปรีชาในระหว่างที่สมเด็จพระโรกุตามาจารย์ได้ตรัสรู้แล้วเสด็จเที่ยวโปรดเวนยสัพพสัตยูศีสิบหพัสามาจนได้เสวยบินทบาทของนายจุนนี้พระองค์ไม่ได้ทรงข้าวอนุบุพะวิหารสมาบัตทั้ง9้า โดยอนุโลมและปฏิโลมถึงสามครั้งบ้างหรือพระน้าเกษณจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในระหว่างนั้นสมเด็จพระบรมโลกุตามาจารจะได้ทรงเข้าอนุบุพภวิหารสมาบัติโดยอนุโลมและปฏิโลมถึงสามครั้งหามิได้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาก็สิ้นสงสัยสโมสรยินดีมีพระราชโอการชมอานิสงแห่งบินทบาททั้งสองประการว่าเป็นบรมทานอันยิ่งบินทบาทอื่นไม่มีผลเทียมถึงบ่ไมิได้อันหนึ่งนวะอนุปพระวิหารสมาบัตินี้ประเสริฐหนักหนาตกว่าบินทบาททั้งสองประคองให้สมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้า ได้นวะอนุปุภวิหารสมาบัติจึงบังเกิดผลยิ่งนักโยมจะรับเอาคำของพระผู้เป็นเจ้าจำไว้ในการบัตรนี้ทวินังปินดปาปานังมหพภะพาวะปัญหาเป็นคำรบสี่จบเพียงนี้